โรโกลงก็โรคโกลงนี่ไงไตโรคกระแมันก็นเวียนอยู่เฉี่ ย, ย่มันเพศที่ไหนมันออกว่าทานไหนทุกข์ก็จนมันก็วนอยู่ในกลงของเขานลูกเขาลูกขาเื่อนั่นแหละทุกข์จนเขาว่อนอยู่ในกลงนั่นแหละอิ่มบ่ออิ่มก็วนอยู่ในกงนั่นแหละเ <c oughs> ขาเทานาม เ, เก่กบอกอง า, า่กล แล้วนกเขานกท่าก็ไม่ได้ขุนเสื่องครับอันไหนจินแล้วก็เลาะกรงเลาะตุ่มหรือซ้ำนั่นไปกะทิว่าที่เอาให้มันคักมันแน่อันหาความสุขในโลกนี่ก็ได้หาหางหามีหาดีหาได้คนที่สุดกับแม่มือปแป้งแซง เออสมตะเกียกตะกายดิ่นร่นหาความสุขอยู่ในวัฏสงสารหากินหาใสนึกสมฐานะทีะ่หยุดทุกข์ไรไปเท่านั้นก็ไปพบเจ้ากางทุกข์เอารถช่องอยู่ในหลุมทุกข์ ผู้คนข่ามผนทะเลลุ่งไปแล้วคุณเขาสู้รนิพาดภาษาย่างเต็ามูหฮากีเดน่นน้ำปัญญายาวกับมาจกตากันยอะสันตัวห้องหายดีใจเสียใจอยอะนี่แหละ ว, ว่าแล้วไปทักเที่ยแล้วนอกจากสิเห็นโทษย่างเต็มที ย, ย้ายยึดซ้ำนั่นดังให้กินเป็นพ่อดัง ปากก็กินเป็นพ่อปากมิแน่จากมันอยู่น้ำปานน่ะมันกรบายอยู่เขีมตอฟันหักน้าระพัดมือเศร้าใก็จางมั น, ย น, นอนนยู่แล้วเขาจ่ า, จจางมั น, าาามนหายใจเขาออกจางมันต้ออายุอายุปานนิดหน่อยสกุลในาร่างกายนี่ เรื่น่อยมืนย hmm. ังเอวเป็นยามยามมันนอนมันก็ยังมีอุปมาวะจะเรกน่อยกะสอบกกยเง้นกับเ่าละเกิดอยู่ในโลกแก้ยุในโลกเก็บยุในโลกตายยุในโลกโลกโลงโลกว่นเวียนอยู่แหละบูออกอะไรกาลังไฟแห้งกับปายโลดกลังแห้งเคยยัง ทา น, น, นาุสินภาวนาสติปัญญาไปได้เลยเดี๋ยวว่ากำแหงกำลังแห้งธาตุวัดสีดวัดผาวนาวัดวัดเวียงออกจากโลกมันเป็นวัดเวียงให้อยู่ในโลก อ๋อผ่าลายมบ้คว้ตัวนึ่งสองสามสี่หก่าจังหวัดจังวั อยเป็นผู้มากแก้หูแก้ตาโลกแต่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกยุคทุกสมัยตลอดทั้งอริยสาวกเปนแม่แก้หูแก้ตาหมูหา่าแก้เห็นหงงในท่านศีลภาวนาใครสิดีเรียน่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือขออริยสาวกมามี โมมีพระพุทธศาสนามาแก้หูแก้ตาไตาโรคธาตุนี่พราแห้งมันสิมาสนองเวนีนสนองภัยกันอยู่ในโลกนี่นับว่ตถวนพ์พนะ่ะเจ็ดปันนั่งกันยังนับว่ตถวนอยู่แล้วซิ่งกันอยู่คือ้ม่อนนี่แหละนี่พระพุทธเจ้ามาแต่ละ ขังและข้าวนี่คนลือสั์ออกจากว่าเจ้าทาสารมาในแม่นของหน่อยๆถึงเป่านั่นไ่เมื่อเป็นไหลมาคือน้ำนเพราะกรับของสัตว์มาสนองใอ่โลกธาตุเงียดกันอยู่ใจโลกธาตุเนี่ยแบงออกเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างอินบ้างพ่มบ้าง เทวโลกก็มีสิบั่นมี6กสั่นภพมรลกก็มี16บสั้นมีวันเวลาบ่คือกันนานก็กันอายุไขกับน่านก็กันเมื่อได้รับทุกข์ก็ได้รับทุกข์น่านก็กันเมื่อได้รับสุขก็ไรับสุขน่านก็กันมูลหกอีกัติทะชานอีกเปตอีกอสุรกายอีกผู้เกิดในขั้นมีภัยใน มนุษย์เป็นตนง้วควาย จ, จัดเป็นพวกเกิดในขั้นเหมือนกันนับบ่อยอีกละะเนี่ยเพาะกรรม้องไคห้องมันน้ามาถนองมปนผู้ได้เหตุแห้เกิดผู้เกิดในไครอีกอก็การนี่ฮะในฟ้องใครนี่มีจักจําพวก เกิดในเทาในไข่ของมักหม่ ม, มันนี้แมงม่ม า, กมาเกิดเป็นอใบโก่าเกิดเป็นแมงมา่าวันผู้เกิดพุดขึ้นอนี้เกิดพุดขึ้นเมื่อเป็นตนเป็นตัวนี่ยชัดนรกจำพวกไปสวรรค์นึงจะพวกไปพุ่มหนึ่งจำพวกไปนรกหนึ่งจำพวกไปเป็นเพศหนึงอันนั้นว่าได้เกิดในขั้นในไข่ในเทาในไข่ เกิดพุดขึ้นคือห้องนอนฝันเนี่เป็นตนเป็นตัวเป็นภูเป็นคข้นขึนเป็นของทิพย์อันหนึ่งทั้งซัวก็เป็นของทิพย์ทั้งดีก็เป็นของทิพย์มัก ผ, ผลในผ้านมากลายทิพย์ไปแล้วเรยก่าบัญญัติบัญญัติว่าทิพย์มัสมเกียรติมัสมหยดกรามันทิพย์กระมันทิพย์ มอมาเกิดแก่เก็บตายที่พวกนี้ที่เที่ยวเกิดแก่เก็บตายอ่นี่วัฏสงสารอันนีเดี๋ยวไปใช้เห็นแต่ของเก่าปฏิเห็นของใหม่ยัวเทียหรือบงคับควมเกิดกับมันของเก่าเรือบังคับแก่กับมันของเก่าเรือบังคับเก็บกับมันของเก่าเรือบงคับตายกับมันของเก่าเรือบังโับลกกลุ้มกับมันของเก่าที่เคยลกเคยกลดเคยหลงมาแล้วน่ะเรือบงคับควบดีใจใช้ใจกับมันของเก่า การเดียวเข้าโลกกบลงละ่ะผู้ปฏิบัติถือปฏิบัติสอบกระเบาลงไปบ้ารถขบรถขึ้นพวกที่ขบรถขึ้น ก, พ ก, ก, ก็พวกโลคกีพวกโลคกุตตะลนะเน่ยรถขบรขึ้นเอาไปแทรกกระเป๋าไปโหลดบเบาขึ้นมาสบาอีก ของจริงมีอยู่สีอย่างทุกค ร, รั้งอธิษฐานจังหนึ่งเหตุให้เกิดทุกข์หนึ่งทางนำเนอร์เนี่ยถึงความรับทุกข์หนึ่งเดี๋ยวขอวัดปฏิบัติเดี๋ยวถาให้แจ้งหนึ่ง เมื่อดำเนินปฏิบัติให้ถึงความลับทุกหลกักกระทำให้แจง้งปฏิบัติถือกักนปฏิบัติผิดเขย่งมหันแก้งแจ้งประเทศอะไ่น้อยขับรถขึ้นกิเลสมันเกิดมาจากไซมันก็เกิดมาจากเข้าพราะเข้าเป็นผู้สางขึ้นเมื่อคนนิพพานถ้ามันเข้าเป็นผู้สร้างขึ้นพระองค์เจ้ากับรถสร้างเป็นทเทียงว่าแ น, นะนํำซื่อ พ้าผู้เป็นเจ้าว่าสร้างพระผูเนเจ้าจิตพระผู้เป็นเจ้าใจห้องพักห้องานี่สร้างขึ้นความดีก็ได้ความซวก็คือกันพญาทำเาละดคนทีเอาทรัพย์ได้เรนสิเนี่ยนามหาให พเนี้ยถ้ามีกระลาศถ้ามีกระลาดของผายของมันนี่ยแะห้าทำดีดี้ดาทำสัวแต่สัวพเนี้ยถ้ามีกรลาศคือจิตใจถ้ากายเลาว่าจะเอาไปทำปเนเร่กะลาดทั้งลงมือทั้งว่างแผนว่างแผนไปทางดีก็เดีรับผลดีวางแผนไปทางสัวก็เดีรับผลสัวเรียกว่าบาบ ก็คืนยุกบพญายิคิตรานเมื่อว่าได้ึ้นอยู่กับเทวพุทธเทวดาพระอินพระพุธพระยมพระการจ้าตลกกูลวบานทั้งสี่เมื่อได้ขึ้นอยู่กับนายเนยนิยาบาลเมื่อได้ขึ้นยุกับบัณอื่นศาสนาอื่นเขาบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างขคืนถ้าผู้เป็นเจ้าคือพระผู้เป็นเป้ามูอเท่าไหนสร้างขึ้นเอาไปทั้งมันไปทำดีเลยดีไปทำซวยเลยซวยเนี่ก็เป็นพระผู้เป็นเจ้าเท่าหนึ่ตัวผู้สร้าง พระผูเ้เเจ้ามาจะใสพระทีพพ เ, เจ้าเป็นเพียงแนะนำท่ซือสี่ทางบอกเห็ดตางเขาบ่นอนก็นอนเองหิวเข่ากัันเองกินเองรับประทานเองิ น, นกินเองดื่มเองฉันเองี่บอกทางนันเน้ไ ป, ปเดอ ท, ท่างไทยจับกินบีน ลูกหลานด้วยจะไปเนอะอหเจ้าภากานเว่นเส้นเนอะภูมิทะลุขอไปขับพ่ออีหลีอันผู้หงมืออามันพ่อยังไขว่ผู้หงมืออาจะค้องบืนเขาน้าสนยังไขู่เลยมันติดแต่ออกอันผู้หงมืออันที่หละซุกเอาเผากินมัดกำของพายของมันเขียดต่างกันกับบุตรสรนันกับบร กมนีนาวัตติโรโกสโลกเป็นไปตามกรรมผู้กรรมบางกับไปห้าบางผู้กรรมน้ากับไปห้านะ้ากรรมแบ่งออกเป็นสองโล ก, กีกรรมโลค ก, กุตระกรรมโล ก, กีกรรมตั้มก็พระโสดาบันลงว่าเป็นโลค ก, กีกรรมและผลของกรรมนับจะพระโสดาบันไปเรียกว่าพระอาริยะเจ้าคำาพระอาริยะเจ้าเป็นคำกลาง พระอาเยเจ้าเสวดาบันก็มีพระอาเดียเจ้าสักขะาคามีก็มีพระอาเดียเจ้าพระอนาคามิกมีพระอาเียเจ้าพระอรหันต์ก็มีพระอาเดียเจ้าเบืองใสเบื้องขวาของะโหสถเจ้าทั้งหลายก็มีพระอาเดียเจ้าพระปเจกก็มีพระอาเดียเจ้าคือพระสรรมสัมโพธิเจ้าก็มีทกลงก็มีพระอาเดียเจ้าเียจำพวก พระเจกาอริยะเจ้าสัมมาสัมพุทธะอริยะเจ้าสาวกสาวิกาอริยะเจ้าสาวกอริยะเจ้าสาวิกาอริยะเจ้าพวกไปนรกกับกับพวกเก่าพวกเดียวนี่แหะมนุษย์ทัตริรชานเผด็จอสุรกายนี่ละ่ะแตว่าตางคนต่างไปตามกรรมของภัยของมัน พัน์ว่ากรรมเป็นเครื่องตาบดตาสงสารบรา่ใดแต่ให้เป็นเครื่องเป็นหุนทางไปสู้ภายในผ่านขันม์กุศลกรรมอากุศลกรรมคือบาปเป็นหุนทางไปสู้มรรคหกมันหกอยู่ในคิดในใจมันหกอยู่ในกลมประพฤติมันเดือดมันหอนมันมีกังเวงกังคืนม่นมีน้า ม, มาสาสัสซาดไซผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาซึ่งสเสียดสีหอดปนไอก็ตามเขาก็ไม่ยาไซ มีประตูแก่เมื่อถึงกำนับสิบบรลุกเมื่อถึงกำนอนแบบบมไม่ยาป่วพวกมาถือพระพุทธศาสนานี่ยอุปมาคือคนป่วยบมมีหมอยามารักษาโสดายอรรถอุปมาคือผู้หิวเข่าโมไม่เข่าจะกินหิวไม่เนี่ยกินมันังไข้ได้อยากกินแต่ของเบือของเมาตะพื้นตพื้ เกิดมาเป็นมนุษย์บุพเพพุทธพระพุทธศาสนาสี่แปดบพเพพุทธอีหยังบกเข้าหลวพระพุทธศาสนาเจแปกเข้าหลวอิหยังพราะพระพุทธศาสนาอยู่ดินฝ่าอากาศของแมนบ่คล้อยุย่งนกายว่าใจใจของโตไปทานไหนก็ ว, ว่าได้หาบดีหิวข้าสองแขนสองหัวหนึ่งพระไตพี่ดกกายพระไตพี่ดกว่าใจพระไตพี่ดกใจใจแปลว่าสาม ย่นใจพี่ดกลงก็เป็นหนึ่งหนึงใจนั่นนี่ใจไปทางบุญก็เป็นใจพี่ดกไปทางบุบญใจไปทางบาปก็เป็นใจ <c oughs> พี่ดกไปทางบาปก็เป็นพี่ดกเป็นเอก้าพี่ดกไปทางบาป <c oughs> ย่นลงมาย่นลงมาย่นลงมามาฆ่าผู้เจา้าผู้เดียวตัวห้องกินปูนตัวหองออกหองนท่อ ต er ัวขมากเกิดแก้เจ็บตายตัวของจมตัวของบนตัวขมาได้มาเสียตัวของจมของบนฝ่าดินฝ้าอากาศมันกับบราบบอปัดนึ่งตาหงษ์จมุกเรีนมันกับบาราบบอปัดนึ่รับมันกับบรับปัดมันกับบอปัดตาหงษ์จมุกเรีนกายมีแต่พยาญชนะตลาดเท่านั้น ถ้าจะขล้องก็พูดเดียวนี่ถ้าเป็นมา้าบาบไปกัดตอกไปตัดอันนั้นกัดกัดอันนี้อยู่ซ้ำนั่นไปตัวไปฟอกเขาตัวติดตล่างตัวกินปูนตัว อ, ออกห่อนทองชื่ออื่นเขาบอกเลว่าขาดีขาสวยเขาบอได้ว่าสิมาทำไร่พงหญ้าคิดตลาด ควแก่เขาก็บอกว่าธิมาทำไร่พระคิตตลาดความเกศเก็บเขาก็บอกว่าธิมาทำไร่พระคิตตลาดคนตายเขาก็บอกว่าธิมาทำไร่พระคิตตลาดมันยัเป็นธรรมศาสตร์ยวงสันเนี่พระยาคิดตลาดภูมิกอเอาเด้โลกโกลงกับพแม่ธิมาต่ําเอาน้าพระยาคิดตลาดอุษณพ้นบุญกับพแม่ธิมาเซ่นพระยาคิดตลาดไปเฮต โอ้พ ม, มาคือบวกน้ำผู้ขาเป็นบวกน้าเนี่รแล้วเหี ม, มาเด้กอกล้วยบางดอนบางดาบ ร, ริวาไฟก็คือกันผู้ขาเป็นไฟเด้อเหีน ม, มาเด้อเ ม, มาจับมาลอมอ้อมลูกุูดพูดได้อวดดีกับบ ร, ริวารข้าพเจ้าหละเป็นไฟพูได้ว่ามาจับข้าพเจ้าสิให้มันไหมไฟกับบ ร, ริวามันเป็นธรรมาสตร์องสั่นน้ำมึคือกันมันก็ข้นอยู่ก็พระยาคิดตาลาดสิลาดเบิด วันนี้ยกกับบอื่นเขียดห้หมอย่ยอดห้ลงรวมโมเมนแนวขันา้ำดีกับผันห้คะแน่นเนีอื่นผลขันทําซัวกับผันห้ไปเทื่ยโทษเนียอื่นผลแล้วว่ให้คะแนนผู้เจ้าตอนนี้มันทํำดีพญากิตลาดตอนนี้นมันทําซัวกับผันบตีผู้เจ้านั่นบทีดีดฝ้าอากาศบที ต, ตาหูจมูกเลื่อนกายผล มันโมจักอี๋หนูอี๋นี่อี๋ยังพวกนี้มันก็อุปมาคือขอจากหูจมูกเรียนกายมันมีลูกคือมันก็ดังเพงเพ่งเพงเพ่ ง, พ ง, พ ง, พงขอเงอกขอควายคือกระแรงหรือกระลงก็ดีหรือรถก็ดีที่ขับลงห่วยล่งเหวก็ขึ้นอยู่กับพยานคิดตลาดขึ้นอยู่กับหน้ายสารธีผู้ขับข่นโซโฟเฟอร์โซโฟเฟ่ข่วนไม่ได้ขึืนอยู่กับลดด้วยนเพศก็แม่มันแตดง ม่เป็นก็บแม่โ ต, น, ต น, มมนี่แตงมั้ละค้นเผื่ว่าเจิมรดเพื่อว่าเฮาสเมื่อไงฮาก็เจอมอิ ม, มนี้เสมือรถกินเขากินน้ำเนี่มเจิมลดน่ะสูบวานสูบยามอน่ะเขาใส่มันสีว่าไปตลอดพักมันม่มเครือองมันหอดพั ก, กคือ น, นอน เอตการแต่งานอะมันเมื่อยรถบัรทิกพก็ เ, เลยพักนอนพยย่อใหญ่คิตลาดไได้พักได้หรไงนอนไหมสั่นไม่ไ้นอนนยยั่มพ่อใหญ่คิตลาดเนี่ยไปอีกเยนะเป็นตนเป็นตัวเป็นภูเป็นข้ น, นไปกเอเนี่ยโมมีเมืองพ่อเนีไปเอารถขั้นไม้ไปอีกอขั้นหนึ่งพนอนกกโกโกยอ่เอาเขาโรคคุดังละ ขวดขั้นไว้ไปตะพืชอีกสะกดละกายอุปมาคือรถหุ่นยุก็พระยามคิดตลาดเมิดอข้าพเจ้าเป็นตาวะสันตามันกับพระเดวา่าข้าพเจ้าเป็นหูวะสันหูมันกับพระเดว่าข้าพเจ้าเป็น <c oughs> จมูกเป็นดังวะสันจมูกกับพระเดวา่า ข้าพเจ้าเป็นลิ่นลิ่นกับว่าได้ว่าข้าพเจ้าเป็นกายกายกับว่าได้ว่าพู้ย่าจิตตลาดบวเอื่นว่าข้าพเจ้าเป็นตาหูจมูกเลี้ยกายข้าพเจ้าสิปล่อยเว้นเส้นแซงให้ไม่จิบหายไว้วอดเอาพิษเอาถือสิผูกกำผูเว้นกับพู้ย่าจิตตลาดได้สัตวเขากับผัดมีได้ว่าดินน้าไฟร่มซุมเนี่ตาหูจมูกเลี้ยกายนะ ถ้าูจะมูเรียงกายมันไม่ดินน้มไฟลม่มเดยคือผมขนเลีนน้ยฟนังเื้อเองกระดูกเงื้อวเนี้ยกระดูกมา้ามหัวใจประับป้างปืดแต่ปอดใส่ใหญ่ใส่หน่อยอาหารไม่อาห า, ารเก้านี่มันเป็นของแข็งสมมติเราเป็นธาตุดินที่ของของเลวที่ซึ่มสาบยกับธาตุดินเพื่อทำให้ดินเป็นก้อนเป็นทอนนได้นะก็คือธาตุนาบ ดีเสร็จน้องเลือดเงื่อบางคนน้นำตาเปียวมัน่นน้ำลายนำ้น ำ, ยนำหมึกน้ำไข้คอนนามูดนี่ว่าถา่านน้ำเนี่ยเชิญถ่านไฟไฟที่่างกายให้อบอุ่นไฟที่ยัง ก, า ย, ออยงกายให้สุดส้มไฟที่ยังกายให้กวนกวาดไฟที่เผาอาหารให้ย่อยถา่านล่มล่มพัดขึ้นเบื้องบนล่มพัดลงเบื้องตำ่ำคือล่มทายอุจจารปัสวะ ร่มพายร่มมั้งเนี่ยเขาเรียกยำยาตามมันนอกค่าว่าตดวส์เรียกสมบัติคำพูดีเพราะว่าพายร่มเหมือนร่มในทองนอกใสร่มในร่ำใสร่มพัดไปตามตัวร่มหายใจเขาร่มหายใจออก ข้าพเจ้าเป็นธาตุลมข้าพเจ้าเป็นธาตุดินข้าพเจ้าเป็นธาตุน้ำข้าพเจ้าเป็นธาตุไฟข้าพเจ้าเป็นธาตุลมข้าพเจ้าสิ่อมตัวเป็นสมบัติของพระยิ่งตลาดเขากลับบว่าเขากลับว่าปัดปัดกับบปัดรับกับบว่ารับว่ากับบว่าปฏิเสธกับบปฏิเสธสุกเขากบอว่าทุกเขากบอว่าอุเบกขาเขาบอว่า ก็ม well, ีไตัวงคันกออกกอกกอกอกก็เพ่ดียวกูฮกกูกูฮกกูอยู่อย่าเสีวาจังไรแล้วเนว่ยโมนี่ก็เป็นนาพี่เจ้าคือกนรแหละโกฮกโกกันก็แม่นแล้โกหกเจ้าของเด็โกฮกโกต้นโตโกหกโกว่ะนกพุทโธว่ะนกพุทโธแท้ๆใครได้ขัพ่อวะหน้าพุทโธ มันไปโทษไปทั้งนอกผลเบอเบิงจะคลองค่ะเนี่ยไปเที่ยวเพียงโทษโทษอันอื่นผลไปเที่ยวให้คะแนนอันอื่นผลตัวของเผยฝ่ อ, องเขาตัวของเขาตาล่าตรงสมมุติว่าอดีตตัวของสมม ต, ต, ติว่อาอนาคตตรงสมมุติว่าปัจจุบันพยายิา่งตาล่าตรงสมมติว่าผู้ลูกตรงสมมุติว่าบุรุษ ตัวองสมมติว่าดีตองสมมติว่าซัวเนี่ยฏิทจัรทั้ง2อเงิน3ามเงิน4เงินไปบันไดขมิตรแต่วันติดเอาโหลดเพราะบลูอุบายของโตผู้บัญญัติกับมันโตผู้ลบกับมันโตผู้เขียนกับมันโตผู้คูนผู้หานกับมันโตบัตรผู้อื่นบ่มายหยาดคูนหยติหานหยาดเขียนหยติลบหนึ่งหยดใดหยาดเสียนึ แต่จกักสิเพิงผู้ไดแล้วพยาจิตตลาดเท่านี่ตุ๊กลงเพิง่งเจ้าของอัจห้เอตโนโนาทโถต้นเป็นที่เพึ่งของตนเท่านั้นแหละเพิงตาตากระนับมือสิเท้าสิแก่สิพรเห็นหูเพิงหูหูกะนับมือนวกเกี่ยบตอบฟันฮักดอ๋อผู้เพิงแล้วบาดเนี้ยก็ต้องเพิงเจ้าของที่เท่นี้ทำคว่มดีใส่เจ้าของ ผู้ทำควมดีควบซัวน์ตาหูจมูกลิ้นกายมันเนมานหยาดท่ำนี่มันตัวเป็นผู้ปรุงแต่งแซงสันเขื่อนท่ำเมดท่ำบมดีกับมันตัวได้รับท่ำซัวกับมันตัวได้รับมายแล้วมันว่าใครโอปนนยโกโอบนนี้จโกแไปว่านอมลงนอบเขามาหาเจ้าของ พระจ้าตังหากจะเห็นหาจะกลูวจริงะพราะญาิคิดตลาดบกบกคอยนอกมาใช่จะคล้องเลยมิจะส่งออกทางเอือนผลมิจะไปเที่ยวตีพู่มตีพุ่ยจะทางนอกผลป่นมาบ่ า, าซือัดหมขัดตอกจะทางนอกผนบ่เบิ่งจะค้องนี่ดิความดีใจเสียใจกับมันจะคล้องสร้างขึ้นมีไฟสิมาญาติสร้างอันนี้ความสีรุษชพนกับมันจะล้องสร้างขึ้นมีไฟเสมาญาติพนอันนี้ กลาแตกไปมันกลับไปเป็นดินเป็นน้าเป็นไฟเป็นล่มธาตุไฟไปเป็นไฟธาตุดินไปเป็นดินธาตุน้ําไปเป็นน้าธาตุล่มไปเป็นล่มอยู่ของเก่าถัดไปไม้ของเก่าแต่ว่าพญายักคิดตลาดบอยอมย่อมมาท่านเบื่อนายไข่เมาในธาตุดินน้าไฟล่มยังคัดของต้องการนี่กว่าเที่ยวกออยู่ไปแล้วเจ้าเี่แล้วค่ะเนี่ยอย่างนี้คะเป็นยังไงเงี้ยไงเงี้ยธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุล่มออก ให้รูตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลดพ้นทมเป็นจริงด้วยกระสัเราลงนังกับลงถาดดินกับอันเดียวกันละเราลงปัสสาวะกับก๊บลงถาดน้มกัอันเดียวกันละเราลงอุจจระกับลงถาดดินกัอันเดียวกันละเราลงหนาวลงห่อนลงอุ่นก e ับลงถาดไฟกัอันเดียวกันละ เขาหลงล่มหายใจเขาออกหรือหายล่มก็ดีกันเดียวก็หาละแต่ฟไม่อยากคิดตลาดไปเทียวหลงพื่มมาม่หยาดหลงโรกโคลงมไว้ผู้ใดมาแซงเพิ่นเพิ่นทั้งสร้างขึ้นเองผู้ใดรับผลกับมันเพิ่น ชิงทั้งหลายก็บอกนี่มีแนวมันแนวเทียงจากแนวทางหงษ์จมูกเล่นกายก็ดีไม่ได้สิแตกสิสลายนี้จากพญายิตงลลาหมันแตกสลายนี้จากพญา ย, าายาิ่ตลลาห์พญายิ่ตจลาหนโกเ้าทเจ้ามันมบันบ่เทียงกับเบื่อกันตันว่าพญาิตงลาเป็นผู้สลัด ผู้ขับรถกับเบื่อรถนายรถแท็กซี่จไปซื้ออีกตีเฮือนห่างสร้างจกควแก้ควเก็บควบตายเนะ่ยมันเป็นจริงโยงสัตว์ขุมมากคือเฮือนห่างสร้างจกเฮือนห้างสร้างจกสรางแก้สรางเก็บส ร, า ง, ร, สรางตาย พี่เจ้าน้ยนะมัวนี้แหะนั่นแหะยอดพระพุทธ ย, ยอดพระธรรมยอดพระสงฆ์ยอดพุทธศาสนาจักจั่งท่าท่อมให้หมู่ห่อเบื่อน า, ายใข้เมาในวัฏสงสารนั่นแหะตัวศีล น, นั่นะตัวสมาธินั่นะตัวปัญญานั่นะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคำสอนอนไรที่สอนให้มีควมละอาล า, ลา ถ, ถอยในวัฏสงสารจะเป็นคาจินตกวีกัสร้าง หรือว่าเป็นกระตามเป็นภาษาไทยกระตามภาษาเช็กภาษาจีนกระตามภาษาล่ากระซังขันธ์เทศไฮเสลดสังเวศในคว่ำหลงของเจ้าของที่ทองเที่ยวมาในวัดจ้าสงสารวัดตาดินวัดตาหนับวัดตาไสวัดตาไฟวัดตาลมวัดตากิเลสวัดตาคว่ำหลงขันทําให้สลดสังเวศ ทวนดูกระแสตนเองที่เคยลองมาแล้วค้าสอนอนันต์ามาเทศนาอนันต์สีสันข้าขอมือนี่ก็ยังดีก็เทศยุ่งมดขึ้นมัดวันห่องโ hoops ังกาซึ่งไม่มีความหมายให้เบื้อนายไข่เม่าให้เสริลดังเวดในวัดตาสงสารเพลินวะเพราะโบเห็นภัยในวัดตาสงสารภพ่ในวัดตาสงสารคือไพ่ความหลงไพ่หลบไพ่โกดไภ่ย้องไพ่แค่ไพ่เก้ไพ่ตายกับแม่ ก็มปนจริงมันจะค้องสางขื่นพไพ่แม่ยคิดตลาดสางขื่นพ่อแม่เพิ่นกับว่าทิ่สางเฮ้าพมมีพวกกำนัดละไข่กันมันก็เป็นไปตามกรรมมาล้มของเพิน่นเฮ้าเลยห้องกุศลพลบุญพลเนได้ศาสตรก่อนเฮาก็เมาเกิดน้ำเพินพ่นน้องไพ่เฮ้ามันเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ไปแล้วพ่อแม่เฮ้าปูย่าตาทวด อย่างกับีอยูเด้เป็นเส้นหน่อยก่ออายุไข้เนื่อระวางลอยปีนี่ต่อไปมืดละไม่ยังเหลือละพอมันมยผู้ถึงลอยปีไปกับพไปไซวุนวิ่งอนนี้นำวัดราสงสารอันนี้ละพอมหันผลจากเกลเลดกันผู้ผลเล้วก็เขาซูฟันนิฟ้านผู้ถึงพระโสดาบันก็เกิดอีก3มเทือหรือเทือนึงหรือเกเทือผถึง8เทือ เป็นพระสักขธาขามีกับมาเกิดอีกสามเท้าถ้าเป็นพระหนา้าขามิเกิดอีกศาสเดียวกัมีเกิดอีกคาศาสกับมีไปเกิดอวิหาอัตฐปาสุสัสสาสุทัสีเป็นลําดับไปจนถึงอากาิตะกาเลยเขาสู้ฟันิพานพวกหนึ่งพวกหนึงน่งไปเกิดอวิหาแล้วก็ฟันิพานในอวิหาสมมติว่าอายุร้อยปี ่อยปีทิพย์สมมุดนะหรือมื่นปีทิพย์พ่อเคริ่องหันกลไปนี่พานซะฝูงหนึ่งจนถึงที่สุดไปพันิพพ่านซะมีหลายพวกสุกในโลกกีมันมีมันมีเตว่นเเวียนสุขในโลกกุตละสุกในพระาวัสดิ์สัคขาคามีมันเป็นสุกา่าวนา สุขในพระอนาคามีางเกิดสุขก่อนน้านะแม่นลาบแม่นยศก็เป็นลาบยศที่สีนะ่เก้านาเพามันมันสิมาเสื่อมลาบยศฉันเสนอสุขที่มันเสื่อมอยูน่นี่มันทางโลกกี้ทางโล ก, กุตละมันบริสุเสื่อมมีิจะขึ้นนาเรื่อยทั้งกายสิแตกเป็นสลายเป็นก่อตาม ยิดใจแล้วธรรมะว่าแตกว่าสลายนับมือสูงทรงเพราะพี่ะนาอยู่สมอส่วนพระละหันเต็มพูมแล้วไปบังหวังโเลียวหลังขึ้นมาสั่งลเะเมื่อเสดายอยากมาสอนผู้ใดพระลรหันเพราะถือว่าได้ทุ่มเทลงแล้วเมื่อได้เพ่งทษวเจ้าของตอนนั่นข้าพระเจ้ากับว่าได้สั่งได้สอน มูเพื่อนไรหยาดย่อมพนกับบรวารแวสอนมันแล้วแล้วพี่ย่หน้ามันแล้วข้าเจา้าว่าเอากับเป็นเรื่องของข้าเจา้าสัง่งเล่ห่วงอะไรพระพุทธเจา้าเลยบ่งห่วงอะไรพระพุทธเจ้าคือกันบริเวเพียงโทษจะคล้องตัว น, นั้นกับบริเสวนมูสวนเพื่อนตัว น, นั้นกับบริเรสอนลูกสอนหลานสอนพี่สอนน้องสอนป่าสอนลุงแล้นี่ย ก, กะโวไปดอกแล้วเดือดห่อนในภายลางังแล้วคื อ, อเอาโอ้สั่บริมี เพราะถือว่าได้ห้ยมืดแล้วไม่ได้ปิดได้บางอันผ้าขัดมันของกับมันงายไว้อย่างสี่ลอะไม่ได้ขวบไม่ได้เสียงเปิดเผยไว้อยู่ว่ามันของบูดของเนาอีกเสียด้วยว่ามันเน่าโจรสิรักไปอีกเสียด้วยอของเพื่อนายนะท่านศีลภาวนาผู้ได้วาโจรลักเอาไปได้มันก็รักเอาไปได้แต่ของพระท่านให้ท่านรักษาศีลภาวนาละ พอาผ้าวนาเนี่ยมันไผ่มาลักเอาไปได้อ๋อไม่มีไผลักเอาเหลื่ยมสายเนี่พผู้พระถ้พมพระสงฆ์ผู้ใดมาจี่มาป่นเอาไปสิอบอมีไผที่มาลักเลยตอกหนามกับผู้หายตกไฟกับรลอดจุนลักกับบาได้ไฟไหม้กับผูเป็นนั่นเราวันน้มีอิสระแต่แต่สิมาเพิ่มควมหลงสักขงนั่นสังขันนะนั่น หายใจห้องผู้ดังสังขาร น, นั่นมาแล้วเนี่ยหายใจห้องผู้ดังสังขารเป็นเสื่อละจะติเครียดให้ไหวได้หรออยังว่าสังขารเครียดให้ไหวก็เครียดให้อานิจจังทุกกันนี่นแหละใด้ไในโลกล้วนอานิจจังได้ได้ใ น, ในโลกล้วนก็ทุกขงังสิ่งได้ไม่เที่ยงสิ่นั้นก็เป็นทุกข์จะมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณก็ไม่เป็นปัญหา มันเป็นทุกข์อยู่ในตัวของมันอยางิตาาดต่ลท่ า, าผู้ที่เคสลาบในวตาสงสาร น, นะทิเคส บ, บ่สีบอเคสพระใส่พระซอยโ่สมองในวตาสงสาร น, นะนะั่นนี่พอใส่พระซอยโยกรรับโมเคสแล้ว พี่ยาคิดตลาดต้องมั่งมืออดีตอนาคตปัจจุบันมันลุมทานเพิ่มพูนจังสีบนายค่ายเมาได้แต่ยังมีดอนไดดอนนึงพ่ออยู่พอกินพอใส่พ่อสอยอยู่กับวิญญาณไปที่สันติมันก็ไปจับอยู่หันแหละนันก็ไปจองยุหันแหละไม่เกิดไปซื้อคิวซื้อตั๋วไว้หันละจองคิวจองคิ้วรถจองคิวรถไว้จะท่องเที่ยวในวัดจาช่งสาล พราะพระท่าเค็ดท่านหลบับเพราะยังคือว่ามันดีสนุกสนานอยู่พระท่นเขามาจีมาปรุนคนในรถก็อุปมาคือความแก้ความเก็บความจ า, า, า, ายมาจีมาปรุนรถขั้ น, นี้นั่นคันคาสองแขนสองหัวหนึ่งมหาวัตถนาโมนาโมแปลว่านอบนอมบมาสั่น นอบนอนทางเค็ดลาบเนี่ยวาร์จ้าสงสารพนถามมันมงลูกผู้เจ้าก้อนต่ก่อนมันว่านมันผู้ไพมันบได้ว่ามันผู้ไพรด้มันวานเป็นของไทยหรือของฝรั่งหรือของขอมหรือของเล้ามันก็บได้ว่ารพวกผู้มีกี้เรนนะปัญญาหยาบผมว่าข่าวฟันลั่นแทงกัน มาคู้นดินคุ้นน้ำคู้นไฟคูลนลมอยู่นี่ตายไปกับดินคู้นดินแหละธาตุดินก็ไปคู้นดินธาตุไฟก็ไปหาความโมอุนก็คู้ไฟธาตุลมกับหาความผัดไปมากก็คู้นลมธาตุน้ำก็ลงไปเป็นของเหลี้วธาตุกิเลสก็เพิ่มขึ้นหลงแต่แล้วธาตุเพิ่มธาตุกิเลสเพิ่มกิเลสผููมีขวา ว, ดวัดปฏิบัติผูมิอภิษายนภพพระธรรมประสงค์ คำสอนของพกกระองค์เจ้าคุณพ่อมาเคอย่อมกินยาคือไม่ม้อยารักษาเข้าหลับต่อคุณหมอ <c oughs> คุณหมอคือคุณท่าคนาคุณศีลคุณพระนาคุณพระคุณพระธรรมประสงค์อะไรเรียกว่าคุณหมอมีทางเดียวเท่านั้นว่ามีทางอื่นสิไปมีใครเป็นเจ้าโลกดอกอะเมริกากับมิเตเป็นอะเมริกาแห้งก็บมได้เป็น จีนกับว่าได้เป็นไทยกับว่าได้เป็นทุกข์กับตายเห็นเป็นเจ้าโลกพีชนะฮามันชัดเหแบบมูฮ่าวะกกาแห้งสมโค้ง ค, งควายเนาย่าเห็นจากมุดหมอดเมียนลงแทบบนเดียว ตายโลกกระแทก้นอุปมาคือส้มโคงข้วเน่าเนี่มันพอต่แก้จะเก็บจะตายได้พลังคนแปว่าบวชเขามาแล้วจะยื้แต่ของเกา่าลายใหญ่ทีเด้ะะอาสักยื้แต่ของเกา่าค น, นมันเสื่อมาัมันขนอยู่กับปัญญาเนาขุนเสื่องพวกขุนเสื่องก็ได้สิแรียนไปจังกัตายนี่ก็ไปน่นม่มีปัญญาซ้าเกาะนะ่าน่ ฉานมีปัญญาปุ๊ปปัญญาไปกับปุญญ๊ปังอยู่กับปุญญ๊ปปัพระพุทธเจ้าจงว่าท่านอยู่ในทิศที่ใดก็ดีดทีไปที่ใดก็ดีดย่อไปนอนใจเดอ้อที่ถำข่วงเพี้ยนพผ่ผนทุกข์ในวาระสงสารให้ขามทะเลลงของตนซะเดี๋ยวจะเสียใจภายหลังเนอ้อพระองค์เจ้าไฟไหม้หืน่น พวกเจ้าพี่หน่อทั้งหลายยืดสันได้กิเลสทั้งหลายก็รีบดับยืดสันนัดมาอุปมาคือไฟไหม้หืน่นไฟไหม้ผ้าไฟไหม้หัวมืออื่นยังสืดับมือเหื่อยังสืดับไม่ที่ได้เบาไฟไหม้ผ้านุ่งคาดขี้งอยู่ไฟไ ห, หม้ต้นไม้ตัวไม้หัวอยู่นะ่ะไม้ผมอยู่นะ่ะก็ต้องตบเพื่อมันไหวเพื่อมาต้องเอาหน้ามาดับเพืมันไว้ ท่านถึงวิษษะว่ า, าท่านถึงพระรหันต์ในยัตสุนอนใจเนอะพวกลูกห ล, กลานที่เสียใจในภายหลังนี่พระองค์เจ้าบางข้าวเรียกว่าลูกห ล, กลานบางข้าวเขเรียกว่าท่านทั้งหลายบางข้าวเขาเรียกว่าสูท่านทั้งหลายแล้วแต่ผู้ฟังเป็นประมาณผู้ฟังภาษาใดเป็นคนภาษาใดพระองค์เจ้าเขาว่าไปตามภาษาอันนั้นเพื่อเป็มเรียบร้อยในสังคมนั้น เพื่อให้พวกนั้นเขาใจหวงพรอองค์นิรุตติปฏิสัมพิธาได้แตกสารเมืู่มุจักหอดว่าละจิตใจของเทวบุเทวดาอินพ่มพุนม่นมุจักหอดคำพูดซัด์ทั้งหลายนกนูปูปีกพุน่นมุจักคมประสงค์เขา เมือโลกเต็มไปด้วยขั้วจร่างยังยืดทั้งอดีตทั้งอนาคตังสี่พญาิ้คิดตราดก็ยังสี<ม>หื้นส้อยอบหืสี่ลวอาลาถอยสันมาเกิดศาตร์ได้มาซื้อลดศาตร์ได้าได้สางลดรดค้าสองแสองหมนหนึ่งนี่ลนังหุ่มอยู่นี่ก็มาถือแต่ห่างแต่ยาอยู่ยังสี่พ่พอิ ได้กำไรไปลายมือไงอยังมีตฉาขาดทุนตะพืดตะพืชร่างจะซื้อมันเหรอลดมันลดต้องไปเรื่อยชีวิตก็ลดไปมือนี่ใกล้ตายก็มือใกล้สิแตกสิสลายก็มือเศร้านี่ลดพันย่ายิตตลาดนับขอยับขายับข้อละ ย่างไปได้วพราท่านโดนปวดแข้งปวดขานั่งเศร้าไม่แห้งก้อนเหะ็ะอุปมาคือยุดพักรถน่หละผู้ขับน่หละภาวานะโอ้ยหิวน้ำเนี้ยเอาน้ามมาใสไม่ใช่ก็ผู้ขับเ น, นะเป็นผู้เอนาน้ามาเพิ่มรถขันนี้ก็พยาคิดตลาดขาทัดร่มแล้วเว้ยราะว่า ล้มาเพิ่มดินนุนดินน้านุ่นน้ำไฟนุ่นไฟร่มนุนร่มดินนุนดินคือจังไหนอุปมาคือตายไปแล้วกับไปยุคขี้ดินทิ้งแล้วแต่หามีเจ้าของน้ําห่วงยังได้พญาคิดตลาดน้ําหวงเนาะไปเที่ยวปั่นน้าให้เป็นตัวยุพญาคิดตลาดปั่นกําเอียนนี่ซื่อ รดปุดปัดปุดปัดป e. ุดปัดปุดปัดปุดปัดบ่ปัดของบ่มีงาเก็บป่าใส่มันบ่อยู่เก็บปู่ใส่มันกับบ่ขางไตออกหยิบหยหยับเก็บยังแหละยปมาเคยยอกเง่าจะของตัวเมย์มันก็เมยตัวลมมันกับลมตัวยางมันกยางตัวแรมันก็แรนยูปม่านีตัวของสายไฟตัวของแรงน้ำสายไฟและน้าแสงไฟมันยัยคิดตลาด ไม่พ้ พ, พ่อแม่ผู้เดียวนี่ยไปเที่ยวหลงเขาอยู่นี่ชื่อื่นมันมีเนว่มาหลงหรอกดินหนาไฟล่มกวเนี่ยมาหลงพญาคิตลาดอดีตอนาคตกับมยมาหลงค้อมนได้ข้อมเสียกับผมมาหลงพระยาคิดตลาดตรว ส, สมมติว่าไรตรงสมมติว่าเสียเนีอื่นเขาเิดอื่นเนี่ย น, นปฏิเสธนําไม่ใจโลกธาตุเนี่ ท่านบัญยัติว่าผู้ขาว่าหูว่าท่นผู้ขากะจีเป็นหูท่านบัญญัติว่าตาว่าท่นผู้ขากะจีเป็นตาท่านบัญญัติวผู้ขาเป็นจมูกว่าั่นผู้ขากะจรับเป็นจมูกสิรับเป็นของท่านบรัติว่าผู้ขาว่าลินข่ากะจเป็นลินของท่านเด้อพญายิตลัตเขบอกอะไรว มันยัดว่าทั้งมดนี่รวมเข้ากันนี่ทั้งตาหูจมูกลิน้นร่วมเข้าเลยเรียกว่ากายาพระพเจ้าเขาืิเป็นกายพระยาคิจตาลันลดเดอ้อเขาก็บอกว่าเขาก็บอ ป, ปัดพ้น ท, ที่สุดเด้อไ ม, มีผู้ใสยซื้อให้ตัวตัวเอาขอนสวมหัวเอาเองเฉยแล้วคั่ะนี่ใจใจใจก็ว่าเฉยแล้วบาทนี้ บาดาโบลูเท่าใจที่สมมุติท้องโตัลเป็นทุกข์อีกนัดแล้วสิว่าอย่างไรฮะอันนี้ น, นาควรที่น่าแทขันวันสนนดุไปเที่ยวตีแต่เพื่อนเที่ยวไปเที่ยวตีแต่หูทเที่ยวตีแต่ตาเที่ยวตีแต่ลิ้น เที่ยวทีจะกายไปเที่ยวทีตั้งแต่รูปจะเสียงจะกินจะหลดจะโผ่จะพระจะทำมาล้มอันอื่นเที่ยวบุนไหว้ทร้อยผงซ้ำนั่นไปจะเข็นปอบกับบังพญากิจตลาดเถอะมันทั้งปุ๋งมัน ท, ทั้งแดงไปจะไปสร้างปานมัน เราเป็นคติตัวหลวงปู่มหาหลวงปู่มหาบัวค้นเน็ดเดียวโน้ม น, นี่บวชเรียนภนวนาบวชเห็นภัยในวัดตาสงสารพภนวนาขันบวชเรียนบวชเพราะเป็นธรรมเนียมมันกั บ, บว่ถึงไต่สนธนาคมตีกภนวนา มาเกิดในวัดตาสงสารบางคนสั่งบา ร, รมีแก่กามาแล้วบางคนก็ยังอ่อนอยู่บางคนก็เป็นดอกบอัวตูมแล้วสิบานแน่มืออื่นมือฮือหรือบางท่านกับเพิ่นกบานไปแล้วดอกบานกบาลเต็มทุม่มดอกตูมกตูมเต็มทู่มดอกเธมื่อน้ําก็เธมื่อน้ําเต็มทู่ม ดอกตน้ามกตน้ามเต็มพุ่มมันมีอยู่ทุกการทุกเวลาทุกณะบม่ไห่มีแต่ครั้งพุทธกาลขังนี้ก็าไม่มีดอกบัวสีเหลวเมื่อสันเ้าสีผูกขาดวาสมัยสมืยน ม, นมพระอริยะเจ้าดอกเข า, าสิเขาสเหลงฉันก็มเห็นชนิดนั้นของเ่ามั น, ม, นมันชอบระบ้เขาอยากเห็นพระสวัสดิบาลเขาก็ต้องเป็นพระสสดาบาลซะ ก, ก่อน เราอยากเห็นพระสักขาคามีเราก็ต้องเป็นพระสักขธาคามีสักกอนเราอยากเห็นพระอนาคามีเราก็ต้องเป็นพระอนาคามีสะกกอนเราอยากเห็นพระอรหันต์เราก็ต้องเป็นพระอรหันต์สักก้อนแล้วหูจักหูจักเกลือเชืมแล้วก็ต้องยำต้องกืนกินบ้งสะกกอนแล้วหูจักนะอยากหูจักน้ําตาลเราก็ต้องกินน้ําตาลสะกกอนแล้วหูจักอยากหูจักบอกพลิกบอกมันเพลดบอกหรือว่เพลิดถ้าก็ต้องจีบต้องเิมสะกกอน มือมันสิเอาซ่อนตางเอาตัวซ่อนตางลีนซ่อนจักอยู่มัดมือมันก็ไม่มีหัวจักได้เอาไปตักง้อมก็ตักเบ็ดล่ะตักพนตักแงงงกงแต่มันทำพวกหัวจักรถเคยยินเนี่ยหรอกอุปมาว่าเหาะงอเหาะที่ว่าเพลิงงอหน่ำกับบมีกับบะเมีนผู้เพลินสลาดก็เฮากับมีอยู่ พอกำลังหน่อยแบกบของนักบวได้สิว่าพ้นกำลังหน่อยนักับบวได้พ้นกำลังแห้งพนกับแบกได้อยู่ถ้าที่ผูกขาแลามือจมมือฟูไม่ใช่ผู้เขาเป็นเศรษฐีเขาก็เป็นยุ่งเสม อ, อยุ่งเเห็นาไปจมไปฟูไสยย่ก็เถอะบอกนี่ของหยาบๆเนี่ยว่าอันนี้มันเป็นเสยาศาสตร์นี่ เราเป็นพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์จะได้ว่าดอกสุนักขัดตังสุมั่งขรั่งสุภภาพตังสุหุตทิตังท่านทั้งหลายทําดีในเวลาไหนเวลานั้น่ะเป็นเลิกดีงามดีของท่านทั้งหลายพระสัตรพระพุทธเจ้าทัพย์ในแต่โลกธาตุไม่ท้องว่าพระพุทธเจ้ามเืดคนาย้มืดมอ่ะ การตากี้น่าสบข่ายบ่หล่ะเห็นว่ามันบม่มันบะเทียงล่ะข่ายไปซาเนื่งแต่เฮ้าล่ะบกค่ายกำเนียร์ปานยังหยาดกันจกตากันอยู่นี่หยาดลาบหยาดหลดหยดหยาดวัดหยาดว่าหยาิบริษัทบริวารกันยี่นี่หยาดพักหยาดพวกกันจกตาอยี้นี่มัวห่าผู้ผนผลไปแล้วเพผลัะ สมาดีสมาดีอยู่คนละ่ะอุปมาพัฒนาอานมาพัฒนาใช้หอบผลพัฒนาวนนยนในวัตาสงสารพระพุทธศาสนาเทพัฒนาถึงพระโสดาบันพัฒนาสัจจคธาข้ามี พัฒนาไปหาพระอนาคามีพัฒนาไปหาพระละหันแล้วจบพัฒนาอยบ่นหันแล้วจบบนสนใจโยบันหันสนใจในพระสสดาบวันสนใจในศัทธาคามีสนใจในอนาคามีสนใจในพระละหันมูอห้ามบนสนใจน้ากินน้าขี่น้ำเล็กน้าผ้าน้ามัดน้าเบอร์น้ำหลับน้ำนํำนวดน้ำสนสเสริญเนี่ยวัาตาสงสารเพราะเหตุใดเพราะบาลามีเขายังอ่อน น้ำมันแข็งน้ำมันกาปีกทัฒนแข็งปีกแข็งแ้วนะ่ะมาเาาลียอมบัทหาเลยมาตัวได้ค่าดีกมบัตหามากตัวค้าฮักแหลมแรน อ, อุกอ่อนผอนมลมันบ่กเข่าเลยเราเห็นไหมนี่เด่นแปดเด่นเก้าปากคอตัวใหญ่มันสลาดมันป้าลูกถิมมันเต่นขวมขั้นต่อนขั้นยัง เ, งเข้าไป ลงนับของมาหาสมุทรทะเลคณเดี๋ยวอุปมาคือพระอรียาเจ้าคนแหละขวมไปแหละถิ่มลูกทิบมเต้าอะไรละคืนๆนกล่องฝันละเงาละ ง, ง้มฝนโบราณฤดูปีถึงทายมาเต็มตัง เตรม่านทวนฝนก็ห้อยย่อหยาดคำโบราณกินตะกเวีโบราณแจงกิ่งแต้งเครื่องเธอได้พ อ, อนั่งมาที่อนุโมทนาพระเวสสันดรว่าท่านลูกล่ะโว้ยตะกี้บวกให้ฟังแน่ว่าสัน ปาพ่อที่สมผ่านท่านลูกคนใ้ท่านไปตั้งมอว่า น, นี่ก็ว่าให้ฟังแล้ะกระเสียนโมทนาสาธุกการเนาะก็สันปล่อยให้กันพราให้พวกขาหายุมมดขึ้นความมือเศร้าวะสันแลนตไปกลับมาอยู่ในเขาขี้รีบงกตหนีวะสันยืดออกได้ชิพหายอดสันโยดนึงที่รอยเซนน่ะชิพหาซีเป็นหกชิพเนี่ยมันหกพัน เ, น 6, เซนผนว ท่านหนึ่งมันหาสิบสองกิโลบอกหรือเทไรลอยหนึ่งสีกิโลละสี่สิบกิโลท่านหนึ่งแล้วสาธ พ, พ่อหน้ามาที่อมรรตชนาสาธุ ก, การท่านลูกท่านเต้าแหละแผ่นดินดานไว้วันฟาสนั่นหอก โ, ค, โ ค, ค้งเข่ง น่ามหาสมุทรกดตีน้องฟ้องฟาดโบราณแตงกินตะ ก, กว่เพื่อทํำเรื่องจริงให้มันเคืองเพื่อให้ไพ่เลาะในเชิงกาบเป็นจริงอีนี้แหละมูห้่นว่ า, าด้ลงทุนปรานนั้นล็อกพุมมสาวบกนี่พระพุทธเจ้าลงทุนทั้งป่านนั้นท่านลูกท่านเาจ้าเจ้าใยมาเป็นพระพุทธเจา้า ฉีมานับท่านตาเนี่ยควกตานี่ก็มากก็ดาวอยู่ในเทือกฝ่านี่พเพาะฉะนันยักมาเอาลูกไปกินสี ก, กินต้านานี่พระพุทธเจ้าก็ท่านให้ น, นั่นโลงทุนไล่เนี่ยเขาพูดเส้าวอกว่าจะปลาหนั่นเอาไงอันนี้เพื่อควเมตตาก็รู้หน้าเฮา ถ้าท่านสินพ่อหน้าสอนห้อยมือห่อได้ปรล่างทนใอ้เพ่นนักเตื้บอก่อได้ไปใส่บาดใอ้เพื่อนบอกเพื่อนใช้มีดตา เ, าเหาแเถะเหตุไรสั่นคุ้นของเพิ่นจังหลา ย, น, ยนุ่งยมวะหนกินยิ่มวะหนิเพราะมันของเพิ่นหมนี่เขาเห็นแค่ราคาซื้อเพิ่นตัวเขาจังเอามาขหายหรือปูมันเพื่อนจงัอองให้ยุคกุฏิพระองค์เจ้าหรอพะกั ปั๊ดกัดกวดแดวพันธุ์เข้ามีสิบาร์นี่ยังมีตะกิเลสตัวเพิรนว่าเออลูกก็ไฟลูกหนึ่งกับแม่ของเพิรนตัวโฮมกังมาแล้วกัเก็บได้ตี้เมียนไดตี้เพิรนว่าตากได้ตี้